มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาชัตวักสังสาระปัญหาที่เก้าถามว่า อะไรที่เรียกว่าสงสารสงสารนั้นมีอาการเหมือนกับอะไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้มีปรีชายานที่ถ้อยคําว่าสงสารนี้อย่างไรโยมนี้ยังสงสัยอยู่นิมนต์วิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาราชา ดูราณะบอพิษพระราชสมภารอันว่าสงสารนั้นคือสัตว์ทั้งหลายตายจากพบนั้นแล้วมาเกิดในภพนี้ตายจากพบนี้ไปเกิดในภพอื่นขอถวายพระพรอย่างนี้แหละเรียกว่าสงสารพระเจ้ากรุงมีลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโงคงการตรัสว่าอาราธนานิมนต์พระผู้เป็นเจ้ากระทำอุปมาไปให้แจ้งก่อนพระนาคเษนถวายพระพร อ, อุปมาว่า มหาราชะดุรานะบ่อพิทพระราชสมภารสงสารนี้เปรียบปานดุดบุรุษผู้หนึ่งบริโภคซึ่งผลมะม่วงแล้วจึงเอ า, มาเมล็ดในมะม่วงปลูกลงมเมล็ดในมะม่วงนั้นก็งอกออกไปเป็นต้นเป็นลำจำเริญขึ้นจำเริญขึ้นก็ออกใบช่อต่อผลฝูงคนทั้งหลายได้กินเข้าไปจึงเอ า, มาเมล็ดผลมะม่วงเพาะฝังปลูกต่อ ลงไว้อีกผลมะม่วงนั้นก็แตกออกใบน้อยใหญ่เป็นต้นเป็นลำจำเริญนกิ่งก้านสาขาครั้นถึงหน้าฤดูก็ออกช่อชูสลอนทุกพวงผลดกเป็นก้อนบ้างก็ดิบหามเหลืองเนืองนองอยู่กับต้นฝูงคนได้กินเข้าไปก็เอามาล็ดไหนฝังเพาะปลูกลงไว้กระทำต่อไปดังนี้จะได้รู้จักที่ว่า ต้นมะม่วงเดิมนั้นอยู่แห่งหนตํตำบลใดประเทศถิ่นฐานแห่งไรนั้นหามิได้ยะถามีครุบนาชันใดสัตว์โลกเกิดมาในภพอันนี้ตายจากภพนี้ไปเกิดภพนูนมาเกิดภพนั้นแต่เฝ้าเวียนวนอยู่ดังนี้ก็ไม่ได้รู้ที่สุดว่าแรกเกิดมาเดิมเกิดที่ไหนที่ภพอันใด ก็มิอาจสามารถที่จะกำหนดได้เหมือนอัมภะผลต้นมะม่วงเดิมนั้นอย่างนี้แหละเรียกว่าสงสารจงทราบ พ, พระยานด้วยประการฉนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระทัยโสมนัสตรัสว่ากันโลสิพระผู้เป็นเจ้ากล่าวนี้สมควรสังสารปัญหาเป็นคำรบก้าวจบเท่านี้